โลกทิพมีอยู่ก่อนโลกมนุษย์เกี่ยวกับการนับเวลานั้นเรามาจะนับกันโดยตั้งต้นเวลาจากเวลาที่สมมติกันว่าโลกเกิดขึ้นดังนั้นเวลาที่นับกันอยู่นี้จึงกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดขึ้นของโลกนั่นเองแต่ถ้าว่าชีวิตของมนุษย์นั้นได้มีอยู่มาก่อนโลกเกิดแล้วเป็นเวลานานเหลือเกินกล่าวคือ โลกทิพย์ได้มีอยู่ก่อนโลกมนุษย์มานานมากแล้วก็ไม่ได้มีอยู่ชนิดว่างเปล่าไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยโลกทิพย์ในสมัยนั้นมีเทพผู้ยิ่งใหญ่อาศัยอยู่เทพผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้มีจิตพระนีธมากและมีระดับสติปัญญาสูงมากเพราะได้วิวัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานเหลือเกินเทพทั้งหลายเหล่านี้ก็มีร่างกายซึ่งมีอวัยวะเช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์เดียวนี้นั่นเอง แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีระดับแห่งการวิวัฒนาการทางจิตแตกต่างกันอย่างมากมายเพียงใดก็ตามข้อแตกต่างอาจจะมีอยู่บ้างก็คือในบางครั้งบางคราวรูปกายของท่านนั้นจะปรากฏให้เราเห็นเป็นดวงสว่างมีประกายสุขใสแรงกล้าอย่างยิ่งกายทิพย์ที่เรามีอยู่นั้นเป็นกายปกติธรรมดาส่วนกายเนื้อซึ่งห่อหุ้มกายทิพย์ไว้ชั่วคราว ในขณะที่มันยังคงรวมตัวกันอยู่ได้ในโลกมนุษย์นั้นเป็นการแปรรูปของกายทิพย์ออกไปอีกแบบหนึง่งคือเป็นการแปลสภาพเดิมไปบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะกับสภาวะของสิ่งแวดล้อมในโลกมนุษย์และความต้องการของกายหยาบนั่นเองอีกด้วยชีวิตของบุคคลเริ่มต้นในโลกมนุษย์โดยดำรงอยู่ในโลกนั้นชั่วระยะเวลาหนึง่งครั้นแล้วก็ผ่านเข้าสู่โลกทิพย์ดังนั้น คุณสมบัติลนะักษณะนิสัยใจคอและความโน้มเอียงต่างๆก็เริ่มต้นได้รับการสร้างสรรค์และหล่อหลอมกันในโลกมนุษย์รันแล้วก็ได้มาต่อกันอีกในโลกทิพนี้ลักษณะภายนอกของร่างกายอันแสดงถึงชาติพันธุ์เป็นต้นก็จะยังคงอยู่ให้เห็นได้ในลักษณะของหน้าตาสีของผิวและอื่นๆอีกเหมือนเมื่อที่ยังครองกายเนื้อในโลกมนุษย์อยู่นั่นเอง ภูมิแห่งชีวิตอันแท้จริงจึงอยู่ในโลกทิพนี้เองเราเป็นภูมิที่เที่ยงแท้าถาวรและด้วยเหตุ น, นั้นรูปร่างที่แท้จริงของมนุษย์จึงเป็นรูปร่างในโลกทิพหาใช่รูปร่างในโลกมนุษย์ไหมมาเฮตผู้อ่านนี่คือความเชื่อของท่าน ที่เชื่อว่ามีความทิ่งแท้ถาวร อ, อันถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงนะครับภาษาพระท่านว่าเป็นสัสตตาทิฏฐิให้สังเกตอีกครั้งนะครับว่าแม้เทวดาก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิได้และย่อมพ้นทุกไปไม่ได้เพียงแต่ ว, ว่าในสวรรค์นั้นบางชั้นบางภูมิบางคนมีอายุยืนยาวนับเป็นกับจึงเข้าใจผิดไปว่ามีชีวิตนิรันดร ในบรรดาบุคคลผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์ที่ข้าพเจ้าได้เคยเห็นและเคยสนทนาด้วยกันมานั้นมีท่านผู้หนึ่งซึ่งมีอายุคิดเป็นตัวเลขเหมือนกับตัวเลขของนักดาราศาสตร์ฉะนั้นคือไม่รู้ว่ากี่ล้านล้านปีทีเดียวแต่แม้กระนั้นท่านก็มีรูปร่างอันประกอบไปด้วยแขนขาเช่นเดียวกับเราทั้งหลายนั่นเองความเจริญหรือวิวัฒนาการทางจิตอันสูงส่งที่ท่านไดรับมานั้นมิได้ทำให้ร่างกายของท่าน แตกต่างไปจากพวกเราได้อย่างไรแต่แน่ละ่ะความประณีตของจิตหรือระดับแห่งปัญญาของท่านนั้นย่อมห่างไกลกันกับพวกเราอย่างบอกไม่ถูกทีเดียวแต่นั่นเป็นเรื่องที่เราจะยังไม่พูดก่อนในขณะนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าขอให้ท่านระลึกไว้ก็คือว่าเมื่อบุคคลได้ละกายเนื้อมาสู่โลกทิพย์แล้วเขาก็ได้ทิ้งอวัยวะบางประการที่ไม่จาเป็นต้องใช้สาหรับชีวิตใหม่ออกไปเสีย และอวัยวะทุกส่วนที่เขามีอยู่ในโลกทิพนั้นก็เป็นอวัยวะที่สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นการเต้นของหัวใจก็จะเป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะเช่นใดข้าพเจ้าอาจจะไม่มีวิชาความรู้ในทางแพทย์มากนักก็จริงแต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกและทราบดีว่าข้าพเจ้าและทุกคนมีสุขภาพดีชนิดที่เราไม่เคยมีมาแต่ก่อนเลยในโลกมนุษย์มันเป็นสุขภาพที่สมบูรณ์ ชนิดที่เราจะคิดฝันไม่ถึงเลยจนกว่าจะได้มาประสบด้วยตนเองร่างกายของข้าพเจ้าไม่ได้มีลักษณะเหมือนกระบอกกลวงหรือเป็นภาชนะว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยแต่มีโลหิตอันบริสุทธิ์ไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายยังไม่ต้องสงสัยเพราะข้าพเจ้าสามารถจะเห็นสีชมพูเรื่ อ, อที่ปรากฏอยู่ใต้ผิวหนังได้อย่างชัดเจนจริงอยู่สีของผิวของพวกเรา อาจจะไม่เหมือนกันเนื่องจากแต่เดิมนั้นเรามีชาติพันธ์กันคนละอย่างแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือผิวพันุ์ของเราเ ป, เปล่งปลั่งและมีสุขภาพอันสมบูรณ์อยู่ตลอดการการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายของเราทำให้พลังของชีวิตล่นไปทั่วร่างกายแต่ถ้าท่านจะถามข้าพเจ้าว่าเหตุใดพวกเราจึงต้องมีการไหลเวียนของโลหิตเช่นนี้ด้วย ข้าพเจ้าก็คงจะตอบไม่ได้นอกจากจะถามย้อนกลับไปว่าเหตุใดจึงต้องมีการไหลเวียนในโลหิตในกายเนื้อของท่านด้วยดังนั้นถ้าจะตอบปัญหานี้ให้แจ่มชัดก็คงจะต้องเป็นเรื่องใหญ่โมโหลานคือต้องสืบสาวราวเรื่องย้อนหลังไปว่าเหตุใดมนุษย์จึงได้มีร่างกายเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่เช่นนี้แทนที่จะเป็นอย่างอื่นดังนั้น พระเจ้าคิดว่าเราต้องยอมรับสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันบ้างในบางกรณีดังนั้นร่างกายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้จึงนับได้ว่าเป็นความสมบูรณ์อย่างหนึ่งที่เพียงพออยู่ในตัวเองแล้วความสมบูรณ์ขั้นสูงขึ้นไปที่เราจะต้องภาคเพียรพยายามเพื่อให้ถึงนั้นไม่ใช่ความสมบูรณ์ของร่างกายแต่จะเป็นความสมบูรณ์หรือความประณีตของจิต ซึ่งจะวิวัฒนาการสูงขึ้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับในที่นี้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอีกว่าเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรในเมื่ออวัยวะบางส่วนขาดไปเช่นนั้นคำตอบก็คืออวัยวะเช่นนั้นไม่ได้ขาดไปเลยเพราะว่าแต่เดิมมันก็ไม่ได้มีอยู่ในกายทิพย์เลยกายทิพย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เพราะมีส่วนสมบูรณ์ดีอยู่แล้ว แม้ว่าจะมีอวัยวะบางประการน้อยกว่าอวัยวะของกายเนื้อก็ตามแต่เมื่อคำนึงถึงความจริงที่ว่ากายทิพย์เป็นของมีอยู่มาก่อนกายเนื้อก็น่าจะนับได้ว่ากายทิพย์นี่เองเป็นมาตรฐานของรูปร่างสวดทรงของมนุษย์ส่วนการที่กายเนื้อมีอวัยวะบางอย่างมากกว่ากายทิพย์นั้นก็เป็นการเพิ่มขึ้นในภายหลัง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะของกายหยาบเท่านั้นเองดังนั้นอวัยวะที่เพิ่มมานั้นจึงเป็นของเหลือเฟือหรือเป็นส่วนเกินที่ไม่มีความจำเป็นอย่างใดเลยสำหรับกายทิพย์ในสภาวะแวดล้อมอันเป็นทิพย์เช่นเดียวกัน